บทที่5ปัญญาสิกขาวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องปัญญาเพื่อให้รู้จักวิธีใช้จิตที่มีคุณภาพแล้วไปศึกษาทำความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามจนปล่อยวางรูปนามได้และประจักษ์ถึงนิพพานอันเป็นสภาวะที่พ้นจากรูปนามและกิเลสตัณหาทั้งปวง ชนิดของปัญญา 1. ปัญญาที่จำแนกตามองความรู้แบ่งออกได้เป็นสองชนิดคือ 1. ปัญญาทางโลกหรือโลกิยะปัญญาได้แก่ความรู้ความฉลาดที่จะอยู่กับโลกอย่างเป็นทุกข์น้อยๆหรือระงับความทุกข์ได้ชั่วคราวหรือข่มกิเลสตัณหาได้ชั่วคราวเช่น เป็นผู้ฉลาดในการรู้จักทำทานรักษาศีลและทำสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจเป็นต้นและ 2. ปัญญาพ้นโลกหรือโล ก, กุตระปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจอริยสัจอันเป็นเหตุให้จิตปล่อยวางความยึดถือรูปนามกายใจและประจักษ์ถึงนิพพานอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง 2. ปัญญาที่จำแนกตามที่มาแบ่งออกได้เป็น3มชนิดคือ 1. สุตตะมยปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้อื่นเช่นความรู้ที่เกิดจากการอ่านตำราและการรับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้น 2. จินตามยะปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาไคร่ครนเอาเองด้วยเหตุผลและ3ภาวนามยะปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติซึ่งจำแนกออกได้อีกเป็นสองอย่างคือปัญญาในการทำสมถกรรมฐานอันเป็นความรู้ความฉลาดที่จะดำเนินจิตไปสู่ความสงบสุขกับวิปัสสนาปัญญา คือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามอันเกิดจากการตามรู้รูปนามอยู่เนืองเนืองสวิธีให้เกิดปัญญาปัญญาที่ให้ความสําคัญในบทความนี้คือวิปัสสนาปัญญาอันจะนําไปสู่โลกุตตะปัญญาซึ่งมีประเด็นที่ควรทําความเข้าใจดังนี้คือ 3.1 เหตุให้เกิดปัญญาแม้พระอภิธรรมจะระบุว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็จริงแต่การที่จิตจะมีสัมมาสมาธิได้นั้นจิตก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่สัมมาสติประเด็นที่น่าสนใจก็คือเหตุใดพระอภิธรรมจึงไม่ระบุว่า สติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาทั้งนี้ก็เพราะลำพังการมีสติอย่างเดียวยังจะเริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือการทำสมถกรรมฐานซึ่งถ้าทำได้ถูกต้องก็จะเกิดสัมมาสมาธิแต่หากทำได้ไม่ถูกต้องก็อาจจะเกิดมิจฉาสมาธิอันประกอบด้วยโลภะและโมหะก็ได้ สำหรับผู้เป็นสมถยญานิกนั้นเมื่อทำสมถะกรรมฐาน จ, นจนจิตตั้งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับทุติยชาญขึ้นไปอันเป็นสภาวะที่จิตพ้นจากการตรึกหรือวิตกและการตรองหรือวิจารในอารมณ์กรรมฐานและเกิดทำเอกหรือเอโกธิภาวะอันเป็นตัวสัมมาสมาธิแท้ขึ้นแล้วเมื่อจิตถอดถอนออกจากฌานแล้ว อิทธิพลของธรรมเอกจะยังไม่ดับไปทันทีแต่จะส่งผลให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์ทั้งปวงด้วยความเป็นกลางและต่อเนื่องยาวนานต่อไปได้อีกช่วงหนึ่งเช่นจิตจะมีสติเห็นองค์ฌานที่ดับไปสดสร้อนรอนและเห็นสภาวะธรรมอื่นๆเช่นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแทนโดยที่ขณะนั้นจิตจะตั้งมั่นเป็นกลาง สติสักว่ารู้สักว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมทั้งปวงจนเกิดปัญญาคือความเข้าใจความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่ามีลักษณะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาสำหรับผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกนั้นเมื่อใดจิตมีสติระลึกรู้สภาวะของรูปนามที่ปรากฏโดยไม่ได้จงใจจิตจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ และสติจะสักว่าระลึกรู้สภาวะธรรมนั้นเมื่อสภาวะธรรมนั้นไม่ถูกเพ่งจ้องหรือกำหนดกดข่มสภาวะธรรมนั้นย่อมแสดงความจริงคือไตรลักษ์ออกมาให้จิตเห็นและเข้าใจได้ตัวเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษ์นั่นแหละคือตัวปัญญา 3.2 วิธีรู้รูป 1. การรู้รูปจะมีคุณภาพคือเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายและชัดเจนก็ต่อเมื่อจิตมีเอโกที่ภาวะคือมีสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์หรือความทรงตัวอยู่ต่างหากจากอารมณ์แล้วสักว่ารู้อารมณ์ได้อย่างนุ่มนวลและเป็นกลางหากจิตไม่ตั้งมั่น แต่ไหลเข้าไปรวมหรือกำหนดเพ่งจ้องจมแช่อยู่กับอารมณ์จิตจะรู้ลักษณะอันเป็นไตรลักษณ์ของรูปได้ไม่ชัดเจนแต่จะกลายเป็นการเพ่งรูปจนกระทั่งจิตและหรือรูปหยุดนิ่งและไม่แสดงไตรลักษณ์ให้เห็น 2. การรู้รูปนั้นนอกจากจะต้องไม่เพ่งรูปแล้ว ยังต้องไม่นำความคิดเกี่ยวกับรูปมาใช้ด้วยเช่นไม่ต้องคิดว่ารูปที่กำลังเดินอยู่นี้เป็นรูปเดินไม่ใช่เราเดินหรือรูปที่กำลังนั่งอยู่นี้เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหรือรูปที่กำลังนอนอยู่นี้ไม่นานก็ต้องตายและอื่นออีกมากมายเพราะความคิดเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงและเมื่อคิดจิตก็จะตกจากการรู้รูป อันเป็นอารมณ์ปรมาติกลายเป็นรู้ความคิดเรื่องรูปอันเป็นอารมณ์บัญญัติทาให้จิตในขณะนั้นไม่สามารถจเจริญวิปัสสนาได้เลย3การรู้รูปจะต้องรู้รูปที่กําลังปรากฏเป็นปัจจุบันไม่ใช่กำ น, นึงถึงรูปในอดีตด้วยอานาจของสัญญาหรือตรึกถึงรูปในอนาคตด้วยอานาจของสังขาร 4. การรู้รูปจะต้องไม่จงใจรู้แต่สติเกิดระลึกรู้รูปขึ้นมาเองเพราะจิตจำสภาวะของรูปได้แม่นยำา 5. เมื่อรู้รูปใดๆแล้วหากจิตเกิดความยินดียินร้ายก็ให้มีสติรู้ทันจิตเพราะรูปที่รู้มาแต่แรกกลายเป็นอารมณ์ในอดีตไปแล้ว ส่วนความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันเมื่อความยินดียินร้ายดับไปแล้วจิตอาจจะมีสติระลึกรู้รูปต่อไปหรือจะรู้อารมณ์อื่นๆก็ได้แต่หากจิตรู้ไม่เท่าทันความยินดียินร้ายจิตจะไม่เป็นกลางและอาจจะหลงตรึกถึงรูปหรือตรึกถึงเรื่องอื่นๆหรือหลงแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขรูปหรือนามที่เนื่องด้วยรูปอันนั้น ซึ่งผิดหลักของการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ให้รู้รูปนามตามความเป็นจริง 6. เมื่อจิตตั้งมั่นและเป็นกลางและมีสติสักว่าระลึกรู้รูปที่กำลังปรากฏโดยไม่ได้จงใจรู้ก็จะเห็นทันทีว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงคือมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารูป ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและรูปเป็นเพียงวัตถุธาตุหรือเป็นส่วนหนึ่งของโลกซึ่งไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใด 3.3. วิธีรู้นาม 1. การรู้นามจะมีคุณภาพคือเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายและชัดเจน ก็ต่อเมื่อสติเกิดตามระลึกรู้นามที่เพิ่งดับไปสดสร้อนร้อนโดยไม่ได้จงใจรู้ดังนั้นอย่าตั้งใจหรือตั้งท่าเอาไว้ก่อนว่าจะรู้นามนอกจากนี้ก็ไม่ต้องพยายามจะรู้นามให้ทันเป็นปัจจุบันเพราะการรู้นามนั้นต้องตามรู้คือนามเกิดขึ้นก่อนแล้วสติจึงเกิดระลึกตามหลังไปได้อย่างติดๆ เนื่องจากจิตจดจำสภาวะของนามได้ชัดเจนสติจึงเกิดตามระลึกได้เองเมื่อนามเกิดขึ้นแล้วสองเมื่อนามปรากฏและสติเกิดระลึกรู้นามได้แล้วก็อย่าส่งจิตถล่มเข้าไปเพ่งจ้องนามเพราะอยากจะรู้นามให้ชัดชัดพึงรู้นามด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าดู ให้รู้น้ำนั้นอย่างเป็นกลางหรืออย่างคนบวงนอกและไม่มีส่วนได้เสียหากหลงถล่มก็ไปเพ่งจ้องน้ำน้ำอาจจะเคลื่อนตัวหนีลึกก็ไปภายในหรืออาจจะดับหรืออาจจะหยุดนิ่งแต่ไม่ดับซึ่งจิตจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าน้ำ ม, มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์เช่นเมื่อเห็นว่าน้ำมไม่ดับก็จะไม่เห็นว่าน้ำไม่เที่ยง หรือเมื่อเห็นว่านามดับก็จะเห็นว่านามเป็นอัตตาเพราะเราดับนามได้ด้วยการเพ่งน้ำเป็นต้น3เมื่อรู้นม้มใดๆแล้วหากจิตเกิดความยินดียินร้ายก็ให้มีสติรู้ทันจิตเพราะนามที่เป็นอารมณ์ให้สติระลึกรู้มาแต่แรกได้ดับไปแล้วส่วนความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นนามใหม่ ก็ได้ ก, กลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันไปเสิแล้วหากจิตรู้ไม่ทันความยินดียินร้ายจิตจะไม่เป็นกลางและจะหลงตามหรือหลงแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขนามอันนั้นซึ่งผิดหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ให้รู้รูปนามตามความเป็นจริง 4. เมื่อจิตเป็นกลางและมีสติ สักว่าระลึกรู้นามที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนโดยไม่ได้จงใจรู้ก็จะเห็นทันทีว่านามทั้งหลายมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับไม่ได้และไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับความตั้งมั่นของจิตในการรู้รูปกับนาม ขอให้สังเกตด้วยว่าเมื่อกล่าวถึงการรู้รูปผู้เขียนจะกล่าวถึงจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่เมื่อกล่าวถึงการรู้นามผู้เขียนกล่าวถึงเพียงจิตที่เป็นกลางไม่กล่าวเน้นว่าตั้งมั่นทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนๆ เ, เ, เห็นความแตกต่างในระดับความเข้มของสมาธิที่ใช้รู้รูปกับรู้นามอย่างไรก็ตาม มีนามอย่างหนึ่งคือเวทนาเป็นนามที่ต้องใช้ความตั้งมั่นระหว่างที่รู้มากกว่านามอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายหรือความรู้สึกสุขทุกข์กทางกายเพราะเป็นสิ่งหยาบที่แนบเนื่องกับกายถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านเมื่อมีเวทนาทางกายที่รุนแรงดังนั้น การเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจึงเหมาะกับสมถยานิกเช่นเดียวกับการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานอย่างไรก็ตามคำว่าจิตตั้งมั่นในการเจริญกายานุปัสนาและเวทนานุปัสนาก็ไม่ได้หมายความว่าให้ตั้งจิตจนแข็งกระด้างเพราะจิตที่แข็งกระด้างเป็นอากุศลจิตแต่เป็นเพียงผู้เจริญสติ รู้ถึงความมีอยู่ของจิตที่แยกต่างหากจากรูปและเวทนาเท่านั้นเอง 2. ผู้เขียนเคยเกิดความสงสัยมานานกว่า1ิบปีว่าเมื่อมีจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นอยู่ต่างหากจากอารมณ์แล้วเราควรเน้นการรู้ที่จิตผู้รู้หรือที่อารมณ์อันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แท้จริง เราไม่ได้มุ่งเอาทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เราอาศัยเพียงรู้สึกถึงความมีอยู่ต่างหากของจิตผู้รู้เท่านั้นเองเพื่อจะได้เห็นว่ากายและเวทนาแม้กระทั่งอารมณ์อื่นๆก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหากจงใจหันไปดูหรือเพ่งจ้องจิตผู้รู้จิตผู้รู้จะเปลี่ยนสถานะ เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทันทีแล้วเกิดจิตผู้รู้ดวงใหม่ที่อยู่ลึกเข้าไปกว่าเก่าดังนั้นแม้เราจะมีจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นอยู่ก็อย่าจงใจจ้องใส่จิตผู้รู้เป็นอันขาด 3. การที่จิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้นั้นมีข้อดีคือสามารถรู้อารมณ์ได้อย่างเป็นกลางและยาวนาน โดยจะเห็นอารมณ์หมุนเวียนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่มีข้อเสียคือเราอาจจะหลงผิดว่าจิตผู้รู้เที่ยงก็ได้เพราะในขณะที่อารมณ์เกิดดับหมุนเวียนนั้นจิตผู้รู้ที่ได้กำลังสนับสนุนจากการทำสมถกรรมฐานดูเหมือนเที่ยงเพราะตั้งมั่นอยู่ได้นานๆแต่ความจริงจิตผู้รู้ก็เกิดดับเหมือนกันเพียงแต่เกิดดับต่อเนื่องเหมือนเหมือนกันได้ เป็นจำนวนมากและเกิดดับรวดเร็วมากจนผู้ที่ไม่รู้จักสังเกตสําคัญผิดว่าจิตผู้รู้เที่ยงแท้จริงจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นนั้นไม่ใช่จิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้นานๆแต่เป็นจิตชนิดเดียวกันเกิดดับต่อเนื่องกันเป็นจำนวนมากตัางหากสี 4. การเจริญสติเจริญปัญญา ด้วยการมีจิตผู้รู้นั้นสามารถดำเนินไปได้จนถึงขั้นพระอนาคามีและในขั้นที่เจริญสติปัญญาเพื่อให้เกิดอรหัตมัตจิตผู้รู้ก็ยังคงตั้งมั่นและเด่นดวงอยู่ถึงจุดนี้จิตจะคลายความสนใจในอารมอย่างอื่นแต่หันมาสนใจจิตผู้รู้เพราะเป็นสิ่งประหลาดอัศจรรย์ด้วยความผ่องใสและความสงบสุขอันประณีต จนสติปัญญาแก่รอบอย่างแท้จริงก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตผู้รู้อย่างซาบซึ้งใจและปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้เป็นอันจบการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาแต่เพียงเท่านี้ถัดจากนั้นจะเกิดจิตชนิดใหม่ที่เรียกว่ามหากิริยาจิตสภาวะของมหากิริยาจิตจะไม่ตั้งมั่นเด่นดวงดุดดังจิตผู้รู้ แต่ซึมซ่านตลอดโลกและจักรวาลและสัมผัสความสงบสุขเต็มโลกและจักรวาลทีเดียวหาสำหรับการเจริญปัญญาด้วยการรู้นามโดยเฉพาะนามาจิตนั้นผู้เขียนไม่ได้เน้นที่จิตตั้งมั่นแต่กล่าวถึงเพียงจิตที่เป็นกลางเท่านั้นแท้จริงจิตที่รู้นามก็ต้องตั้งมั่นเหมือนกันแต่ตั้งมั่นเพียงชั่วขณะ ก็ดับไปไม่จำเป็นจะต้องตั้งมั่นอยู่นานๆเพราะนามเช่นความโลภโกรธหลงต่างๆมีอายุสั้นมากมันเกิดดับสืบเนื่องกันได้เพียงเจ็ดขณะจิตเท่านั้นดังนั้นผู้เจริญวิปัสสนาโดยใช้นามน เ, เว้นแต่เวทนาเป็นอารมณ์จึงสามารถรู้นามได้เลยโดยไม่ต้องทำฌานเพื่อเกิดจิตผู้รู้หรือจิตที่มีเอโกที่ภาวะซะก่อน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้พวกเราตามรู้อารมณ์ต่างๆตะพื้นตะพือไปโดยไม่สนใจทำความสงบจิตหากทำได้ก็ควรทำเป็นครั้งคราวเพื่อพักจิตเมื่อพักพอมีกําลังแล้วก็ตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของธรรมารมณ์หรืออารมณ์ทางใจต่อไปอย่างสบายๆหากรู้อารมณ์แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาใดๆต่ออารมณ์ สติจะต้องระลึกรู้ปฏิกิริยานั้นได้เองจึงจะใช้ได้แล้วจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของทั้งจิตและธรรมารมทั้งปวงผลของการศึกษาเรื่องปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนาหัวข้อสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในบทความเรื่องนี้ก็คือประเด็นที่ว่าเมื่อศึกษาเรื่องรูปนามแล้วจะได้ผลอะไรบ้าง ซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างรวบย่อแล้วเราจะได้ทั้งประโยชน์คือความรู้และได้รับความสุขอันประนีบแทบจะตลอดสายของการศึกษาทีเดียวและเมื่อศึกษาจบแล้วเราจะได้รับประโยชน์อันยิ่งหรือปรมัติประโยชน์คือเข้าถึงนิพพานอันเป็นบรมสันติสุขทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวกล่าวคือ1 การแยกรูปนามเมื่อจิตมีความตั้งมั่นและเป็นกลางในการรู้รูปนามและสติเกิดระลึกรู้รูปนามโดยไม่ได้จงใจแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็จะกระจายตัวออกตามสภาพี่แท้จริงของเขาคือกระจายออกไปเป็นรูปนามถ้าสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะกระจายละเอียดออกไปอีกคือนาม กระจายตัวออกเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนรูปก็กระจายตัวออกไปเป็นตาหูจมูกลิ้นและกายหรือกระจายออกไปอีกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมการที่รูปนามกระจายตัวออกให้รู้ได้ด้วยปัญญานั้นเป็นจุดตั้งต้นของการถอดถอนความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนี้เป็นความรู้จริงเบื้องต้น ที่ไดจากการเจริญปัญญาสิกขา 2. การเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของรูปนามเมื่อรูปนามกระจายตัวออกแล้วเราจะเห็นรูปนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างต่างก็ทําหน้าที่ของเขาเองรวมทั้งมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอเช่นเห็นรูปหายใจเข้าแล้วรูป ก็หายใจออกเห็นรูปนั่งแล้วก็เห็นรูปยืนเห็นรูปยืนแล้วก็เห็นรูปเดินเห็นรูปเคลื่อนไหวแล้วรูปก็หยุดนิ่งเป็นต้นหรือเห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วจิตหลงก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขัน้นแล้วเกิดจิตดวงใหม่ที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตหลงไปเป็นต้นเหล่านี้เป็นปัญญา ที่เห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของรูปนามอันเป็นจุดตั้งต้นของการละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและถอดถอนความยึดมั่นในรูปนามลงได้ในภายหลัง 3. ความเบื่อน่ายเห็นความไร้สาระและทุกข์โทษของรูปนามเมื่อเห็นความเกิดดับของรูปนามมากเข้าบางท่าน จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในความปรุงแต่งทั้งปวงเพราะเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินร้ายกุศลเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินร้ายสิ่งไดเกิดขึ้นสิ่งนั้น ล้วนแต่ดับไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดียินร้ายจิตจะเบื่อสุขเท่ากับเบื่อทุกขเบื่อดีเท่ากับเบื่อชั่วบางท่านก็เห็นว่ารูปนามขันห้าเป็นธรรมชาติบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวตนตัวตนของตนหายไปจึงเกิดความรู้สึกเวิงว้างหรือน่ากลัวหรือหาสาระแก่นสารใดใดไม่ได้เลยเหล่านี้เป็นความรู้สึกของผู้ที่เจริญวิปัสสนา ซึ่งบางท่านก็ติดอยู่ตรงนี้นานบางท่านรู้สึกอยู่ไม่นานจิตก็ผ่านจุดนี้ไปได้ 4. ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งเมื่อตามรู้รูปนามมากเข้าก็จะเห็นว่าความเบื่อก็ดีความรู้สึกว่าน่า ก, กลัวก็ดีหรือความรู้สึกอื่นใดก็ดีล้วนเป็นอารมณ์อันหนึ่ง ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นจิตจะเข้าสู่ความตั้งมั่นและเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงโดยไม่ได้เจตนาจะให้เป็นอย่างนั้นนี้เป็นพัฒนาการทางปัญญาที่สำคัญมากทีเดียวและผู้ที่พัฒนามาจนถึงจุดนี้จิตใจจะมีความสงบสุขมากและจะรู้สึกว่าโลกกระทบกระทั่งเข้ามาไม่ถึงจิตใจอย่างไรก็ตามความเป็นกลางนี้ ยังเป็นของไม่แน่นอนบางท่านก็เสื่อมกลับไปยินดียินร้ายกับอารมณ์อีกในขณะที่บางท่านเกิดการก้าวกระโดดในทางธรรมต่อไปโดยไม่ได้คิดฝัน 5. การมีดวงตาเห็นธรรมหรือเห็นธรรมดาเมื่อจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวง และสติปัญญาแก่รอบแล้วจิตจะเกิดการก้าวกระโดดในทางธรรมคือเกิดดวงตาเห็นธรรมโดยจิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธิเองแล้วเกิดกระบวนการตัดสินความรู้ขึ้นเจขณะคาว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็คือการที่จิตยอมรับและได้เห็นความจริงของกายของใจว่ามีธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา กายนี้ใจนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาผู้ยอมรับและเห็นความจริงอย่างนี้ด้วยใจจะเกิดความรู้สึกเหมือนเด็กหลงทางที่ได้พบพ่ อ, พอแม่เพราะจิตใจจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันอบอุ่นมั่นคงหรือเหมือนคนที่ตกอยู่กลางทะเลหรือหลงอยู่กลางป่าแล้วรู้ทิศทางที่จะว่ายน้ำเข้าฝั่งหรือเดินออกจากป่า พร้อมทั้งมีความมั่นใจว่าสักวันหนึ่งจะว่ายน้ำเข้าถึงฝั่งหรือเดินออกจากป่าได้อย่างแน่นอนแม้บางคราวจิตใจจะกวัดแกงตามโลกหรือตามกิเลสบ้างแต่จิตใจก็ยังมีหลักยึดทำให้ไม่ถึงกับกระทาสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายตามแรงบ่งการของกิเลสตัณหากุศลของการมีดวงตาเห็นธรรมนี้จัดเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดี ผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นอันปิดกั้นการต้องไปเกิดในอบายภูมิได้อย่างถาวรจัดว่าได้รับประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ของปัญญาศิกขาซึ่งยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นประโยชน์ที่เหนือกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสียอีก การรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนปลายเมื่อเจริญปัญญาศิกขามากขึ้นไปอีกเป็นลําดับลาดับในที่สุดจิตจะรู้ความจริงของปฏิจจสมุปบาทส่วนปลายและมาครูในสายเกิดหรือสมุทยาวาลตั้งแต่นามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยของเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยของภพภพเป็นปัจจัยของชาติและชาติเป็นปัจจัยของทุกข์คือรู้ความจริงว่ารูปนามนี้มีอยู่เป็นขณนะขณนะเมื่อมีรูปนามก็ทําให้มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นเครื่องมือกระทบอารมณ์ต่างๆ ลำพังมีรูปอย่างเดียวหรือมีนามอย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นและกายก็ทำงานไม่ได้ต้องมีทั้งรูปและนามตาหูจมูกลิ้นและกายจึงทำงานได้ส่วนใจนั้นเป็นนามซึ่งแม้ไม่มีรูปแต่มีนามใจก็ยังทางานได้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้อารมณ์ที่มากระทบทางทวารทั้งหก็เกิดความรู้สึก เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆขึ้นแล้วจิตก็เกิดความอยากที่จะเสพอารมณ์บ้างอยากให้สภาวะบางอย่างดำรงอยู่บ้างอยากให้สภาวะบางอย่างดับสูญไปบ้างเมื่อมีความอยากจิตก็เข้าไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์แล้วเกิดการทำงานของจิตอันมีสภาพเป็นการบีบคั้นใช้งานจิตซึ่งถูกสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราตัวเรา จนจิตเกิดความเครียดหรือความทุกข์ขึ้นมาผู้เจริญปัญญาศิกขาเมื่อถึงจุดนี้จะเริ่มเห็นความจริงว่าถ้าจิตไม่ส่งสายเพราะปราศจากความอยากและความยึดถืออารมณ์จิตจะไม่ทุกข์แต่ถ้าจิตเกิดความส่งสายเพราะความอยากและความยึดถืออารมณ์จิตจะเกิดทุกข์ดังนั้นจิตจึงหมดความส่งสาย ที่จะเที่ยวแสวงหาอารมณ์ภายนอกไม่มีแม้กระทั่งการส่งสายภายในเพื่อแสวงหากามมาทำคือการคิดนึกเพลิดเพลินในเรื่องการจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงโดยอัตโนมัติจิตจะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูไม่จะผู้แสวงหากา ม, มาคุณอารมณ์ความทุกข์หยาบจะหมดไปจากจิตอย่างถาวรจิตจะมีความสงบสุขอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองจนบางท่านเห็นว่า ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วจึงไม่คิดจะศึกษารูปน้ำอีกต่อไปเพราะการศึกษาก็เป็นภาระของจิตใจอย่างหนึ่งเหมือนกัน <S <S> <S เมื่อจเจริญปัญญาสิกขามาถึงจุดนี้จิตใจจะได้รับความสุขอย่างมากมายเป็นความสุขภายในตนเองโดยไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งปลนเปล่าภายนอกซึ่งมนุษย์ส่วนมากคิดไปไม่ถึงว่าความสุขชนิดนี้ก็มีอยู่ ความสุขที่ได้รับในขั้นที่พ้นกามไดน้นี้มีมากถึงขนาดที่รู้สึกว่ามีความสุขเ อ, อิบอาบในดวงใจแผ่ซ่านออกมาถึงทุกปลายขนเหมือนได้อาบน้ำเย็นช่ำในยามที่อากาศร้อนทีเดียว 7. การรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นเมื่อจิตเจริญปัญญาศิกขา มาถึงขั้นที่กล่าวในข้อการรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนปลายถัดจากนั้นจิตจะจำกัดวงของการเรียนรู้เข้ามาที่จิตผู้รู้จะเห็นว่าจิตผู้รู้นั้นเป็นสิ่งที่คงที่เป็นสุขแต่ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เมื่อเจริญปัญญาสิกขาต่อมาก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นแต่จะรู้เด่นชัด ปฏิจจสมุปบาทในสายดับหรือนิโรธวารคือรู้ว่าเพราะรู้อริยสัจสี่อย่างแจม่มแจ้งความดิ้นรนปรุงแต่งจึงไม่เกิดขึ้นเพราะความปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นวิญญาณก็จะไม่อย่างลงสู่นามรูปเพราะวิญญาณไม่ย่งลงสู่นามรูปนามรูปจึงไม่มีหรือไม่ถูกหยิบฉวยขึ้นมาให้เป็นภาระกดทวงจิตใจอีกต่อไป เรื่องนี้อธิบายได้ว่าเดิมเราจะรู้สึกว่าจิตผู้รู้เป็นของดีของวิเศษเป็นที่พึ่งอันกเกษมแต่เมื่อเจริญปัญญาสิกขามากจนถึงขีดสุดจิตจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตย์อย่างฉับพลันคือรู้ว่าขันห้าซึ่งรวมทั้งจิตผู้รู้นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตา ซึ่งการรู้ไตรลักษณ์ของจิตนี้จะรู้เพียงมุมใดมุมหนึ่งจิตก็จะปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้เมื่อรู้แล้วความดิ้นรนปรุงแต่งที่ฝืนทมคือความดิ้นรนที่จะให้ขันเที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตตาก็จะหมดไปจิตก็จะไม่อย่างลงสู่นามรูปไม่หยิบฉวยนามรูปให้เป็นภาระกดทวงจิตใจอีกต่อไปรวมทั้ง ไม่ปร่งนามรูปในภพใหม่ขึ้นมาด้วยเมื่อเจริญปัญญาศิกขามาถึงจุดที่เห็นแจ้งอริยสัจโดยรู้แจ้งทุกแล้วจิตจะพลากจากขันสำรอกออกจากขันหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มปกคลุมจิตไว้เหมือนลูกไก่ที่เจาะเปลือกไข่ออกมาได้ก็เป็นอันจบการศึกษาในพระพุทธศาสนา เป็นอันสิ้นชาติสิ้นพบจบพรหมจรรย์แต่เพียงเท่านี้ชีวิตที่เหลืออยู่ก็เป็นชีวิตที่อัศจรรย์อย่างยิ่งคือขันก็ยังทำหน้าที่ของขันอยู่อย่างเดิมแต่จิตเป็นอิสระจากขันไม่มีเครื่องกดทวงบีบขันจิตอีกต่อไปจิตทำหน้าที่ของจิตคือคิดนึกปรุงแต่งต่อไปก็จริงแต่มีความรู้สึกเหมือนไม่ทาอะไรเลย การทำงานทุกอย่างเป็นเพียงกิริยาล้วนๆจิตจะเข้าถึงความสุขอันมหาศาลซึ่งเกินกว่าความคิดคำหนึงจะคาดคะเนถึงได้ทีเดียวเป็นความสุขที่อิสระโปรง่งโล่งเบาสะอาดหมดจดไร้ขอบเขตกว้างขวางยิ่งกว่าท้องฟ้าอากาศและผ่องใส ย, ยิ่งกว่าสิ่งที่ผ่องใสที่สุดจิตชนิดนี้ในทางพระอภิธรรมเรียกว่า มหากิริยาจิตท่านพระอาจารย์มั่นเรียกว่าถีติจิตหลวงปู ด, ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปูเทศเรียกว่าใจท่านอาจารย์พุทธธาสเรียกว่าจิตเดิมแท้และหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าจิตเดียวคือมันเป็นหนึ่งอยู่เช่นนั้นไม่กลับเป็นสองขึ้นมาได้อีก คือไม่หลงไปสู่ความเป็นคู่เช่นสุขทุกข์ดีชั่วใดๆอีกต่อไป 8. การรู้แจ้งนิพพานทันทีที่จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตไว้และเป็นอิสระแล้วจิตหนึ่งจะรู้แจ้งนิพพานอันเป็นธรรมหนึ่งนิพพานเป็นสภาวะที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจด ไม่มีสิ่งใดเจือปนได้ว่างไร้รูปลักษ์ไร้ขอบเขตรุ่งเรืองเป็นบรมสุขและเป็นอมตะจิตที่รู้ในพานนั้นจะสัมผัสความสุขอย่างมหาศาลซึ่งหากจะเปรียบเทียบความสุขจากการมาคุณอารมณ์กับความสุขจากฌานสมาบัติและความสุขจากการรู้ในพานแล้วก็พอจะเทียบเคียงได้ว่า ความสุขในการมกุลอารมณ์ที่มนุษย์ทั้งหลายรู้จักนั้นเป็นความสุขที่เคลือบกลุมห่อหุ้มจิตใจอยู่กลางอกเท่านั้นส่วนความสุขอันเกิดจากฌานสมาบัติเป็นความสุขชื่นชําที่แผ่ซ่านไปทุกกลุมขนและความสุขจากการรู้ในผา น, นั้นเป็นความสุขที่เต็มจิตใจซึ่งใหญ่เต็มแผ่นฟ้าอากาศจนไร้ขอบเขต ไม่มีอนุใดที่ความสุขของนิพพานไม่ซึมร้านอยู่การที่จิตจะได้รับความสุขจากอารมณ์นิพพานมีอยู่หลายลักษณะที่เป็นสามัญสำหรับพระอริยบุคคลทั่วไปก็คือการรู้นิพพานในขณะที่เกิดอริยมรรคและอริยผลแต่ก็เป็นเวลาที่สั้นมากเพราะอริยมรรคแต่และชั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตเท่านั้น ส่วนอริยผลแต่ละชั้นก็เกิดขึ้นเพียงสองสามขณะจิตเท่านั้นนอกจากนี้จิตจะรู้นิพพานได้อย่างเต็มที่ก็ด้วยผลจิตเนื่องจากจิตไม่มีงานอื่นจะต้องทําแล้วเพราะผลจิตจัดเป็นโลกุตระวิบากจิตในขณะที่เมื่อเกิดอริยมักนั้นมักจะต้องทําหน้าที่ประหารกิเลส ข, ขั้นละเอียดมักขจิตจึงเป็นโลกุตระอุสุลจิต ซึ่งยังมีงานต้องทำอยู่ไม่ว่างงานที่จะซึมซับการรู้และความสุขของนิพานได้อย่างเต็มที่เหมือนในขณะที่เกิดผลจิตยังมีการรู้นิพานในลักษณะอื่นอีกที่เป็นสาธารณะสำหรับพระอริยบุคคลทั่วไปก็คือการเข้าผลสมาบัติผลสมาบัติเป็นโลกุตระสมาบัติคือเป็นอัปปนาสมาธิที่มีนิพานเป็นอารมณ์ และทำให้พลจิตเกิดซ้ำๆติดต่อกันเป็นจํานวนมากไม่ใช่เพียงสองสาขณะเหมือนตอนที่บรรลุอริยผลในแต่ละชั้นการเข้าผลสมาบัติต้องประกอบด้วยสิ่งสองสิ่งคือ 1. จิต ท, ที่ทรงอัปปนาสมาธิและ 2. ต้องรู้อารมณ์นิพพานดังนั้นปุตุชนทั้งหลาย แม้จะทำนานในการเข้าอัปนาสมาธิก็ไม่สามารถเข้าผลสมาบัติได้เพราะไม่เคยเห็นนิพานสำหรับพระอริยบุคคลทั้งหลายแม้จะไม่เคยฝึกเข้าอัปนาสมาธิก็พอจะเข้าผลสมาบัติได้เพราะในขณะที่บรรลุมรรคผลนั่นเองจิตจะเข้าอัปนาสมาธิคือฌานชั้นใดชั้นหนึ่งโดยอัตโนมัติจึงไม่เป็นการยากนักที่พระอริยบุคคล จะเข้าฌานชั้นนั้นอีกในภายหลังเพราะจิตเคยเข้าฌานนั้นมาแล้วอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายจะทำนานในการเข้าผลสมาบัติเสมอกันเพราะการเข้าผลสมาบัตินั้นใช้นิพานเป็นอารมณ์พระอริยบุคคลชั้นต้นเคยเห็นนิพานน้อยครั้งการเข้าผลสมาบัติจึงลาบากกว่าพระอริยบุคคลชั้นสูง คือมักจะต้องเริ่มต้นจากการตามรู้รูปนาม จ, จนจิตเพิกรูปนามเข้าไปเห็นนิพพานในขณะที่พระอริยบุคคลชั้นสูงคุ้นกับนิพพานมากกว่าพอมณสิการถึงนิพพานก็เห็นนิพพานได้เลยแต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพระอริยบุคคลที่พิจารณาทบทวนนิพพานบ่อยๆจะมีปัจจเวคขณะวสีเมื่อมณสิกาถึงนิพพานเมื่อใด ก็รู้ชัดได้เลยท่านเหล่านี้ก็จะเข้าผลสมาบัติได้คล่องแคล่วกว่าท่านที่ไม่ค่อยได้พิจารณาทบทวนถึงนิพพานกระบวนการที่จิตจะเข้าผลสมาบัตินั้นจึงเริ่มต้นด้วยการรู้รูปนามสําหรับท่านที่ไม่ชํานาญในการรู้นิพพานและเริ่มต้นด้วยการมณสิการถึงนิพพานสําหรับท่านที่ชํานาญถึงจุดหนึ่ง จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแล้วเกิดอนุโลมจิตทำหน้าที่ดับอารมณ์ของโลกิยะคืออารมณ์รูปนามให้หมดไปโดยอนุโลมจิตจะเกิดสามขณะสำหรับผู้ที่ตรัสรู้เร็วและสขณะสำหรับผู้ที่ตรัสรู้ช้าจากนั้นผ ล, ลจิตก็จะเกิดติดต่อกันนับไม่ถ้วนจนถึงเวลาที่จะออกจากผลสมาบัติ จึงจะเกิดภวังกจิตตัดวิธีของผลสมาบัติให้ขาดลงเป็นการออกจากผลสมาบัติสำหรับนิพพานภายหลังจากการดับขันแล้วเป็นเรื่องไกลตัวและปุตุชนนึกไปไม่ถึงหากนึกถึงคราวใดถ้าไม่สุดตรงไปทางด้านสัสตตทิฏฐิอันได้แก่ทัศนะที่เชื่อว่าแม่นิพพานแล้วก็ยังมีขันอยู่ก็ต้องสุดตรงไปทางข้างอุดเฉททิฏฐิ อันได้แก่ทัศนะที่เชื่อว่าเมื่อนิพานแล้วก็ดับสูญทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นจึงขอไม่นำมากล่าวไว้ในบทความนี้ให้เกิดเป็นข้อถกเถียงทางปรัชญา 9. กาการมีชีวิตแบบบัวไม่ติดน้ำแท้จริงจิตของคนและสัตว์ทั้งหลาย จะส่งออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาราวกับท่อนไม้แช่น้ําแล้วจิตจะเกิดการกระเพื่อมวันไหวยินดียินร้ายไปกับอารมณ์อย่างไม่มีทางรู้เท่าทันได้เลยต่อเมื่อเริ่มศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนเกิดสติรู้เห็นสภาวะธรรมได้แล้วจะรู้สึกว่าอารมณ์ก็เป็นอันหนึง่งจิตก็เป็นอันหนึง่ง คล้ายกับเห็นว่ากายเวทนาและจิตสังขารก็ทำงานโลภโกรธหลงไปโดยมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้เห็นสภาวะธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและเห็นว่าบางคราวธรรมชาติรู้ก็แยกจากอารมณ์บางคราวธรรมชาติรู้ก็ไหลรวมเข้ากับอารมณ์เมื่อศึกษามาถึงจุดนี้ บางท่านก็เกิดความสงสัยว่าควรจะรู้อารมณ์ที่ปรากฏอยู่กลางอกเป็นก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างหนักบ้างเบาบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างหรือควรตามรู้ธรรมชาติรู้ที่เหมือนจะอยู่ด้านบนแถวแถวีษะดีเรื่องนี้ขอเรียนว่าถ้าสติจะระลึกรู้อะไรก็รู้อันนั้น อย่าจงใจรู้อันใดอันหนึ่งเพราะเราไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเดียวเมื่อเจริญปัญญาเรียนรู้จิตใจตนเองมากเข้ามากเข้าก็จะเห็นอีกว่าจิตใจจะถูกยึดถือและบีบเค้นอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดความทุกข์อย่างไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อเจริญปัญญามากขึ้นไปอีก จนถึงขั้นที่สติตามรู้สภาวะธรรมได้เป็นอัตโนมัติแล้วจะเห็นว่าทันทีที่ตื่นนอนงานแรกที่ทำก็คือการหยิบฉัวจิตขึ้นมาศึกษาพิจารณาและเกิดการบีบคั้นจิตอยู่ตลอดเวลาด้วยทั้งจะพบว่าจิตพร้อมจะหยิบฉัวจิตได้โดยง่ายแต่ปล่อยวางไม่เป็น เมื่อเจริญปัญญาจนถึงขีดสุดคือรู้แจ้งในความเป็นไตรลักษณ์ของจิตแล้วก็เท่ากับการรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเพราะจิตเป็นทุกข์ตัวสุดท้ายที่จะปล่อยวางได้จากนั้นจะเห็นว่าจิตเกิดการปล่อยวางก้อนทุกข์ที่กลางอกพร้อมทั้งสลัดทิ้งธรรมชาติรู้ที่ตั้งอยู่เบื้องบนทิ้งไปพร้อมๆกันถึงจุดนี้จิตใจจะเป็นอิสระเพราะไม่ได้ยึดถืออะไรเลย จะได้สัมผัสกับความสุขของนิพพานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันจบการศึกษาพระพุทธศาสนาแต่เพียงเท่านี้นี้คือการรู้แจ้งอริยสัจที่ชัดเจนหมดจดถึงขีดสุดภายหลังที่จบการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพราะเกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะอยู่กับโลกในลักษณะของบัวที่ไม่ติดน้า คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ทำหน้าที่ไปอย่างเดียวกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในการรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6แต่อารมณ์ทั้งหลายจะมีลักษณะเหมือนสิ่งที่เคลื่อนไหวไปในอวกาศที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดไปกระทบกระทั่งกับอารมณ์ทั้งหลายนั้นที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจขึ้นมาได้อีกเพราะปล่อยวางจิตที่จะรองรับความทุกข์ทิ้งไปได้แล้ว ที่สุดแห่งกองทุกข์หลังจากที่ได้ศึกษาบทเรียนทั้งสามจนจบแล้วจิตก็จะพ้นจากกองทุกข์คือพ้นจากขันแต่ขันก็ยังคงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่ดังเดิมดังนั้นการเสวยเวทนาทางกายจึงยังมีอยู่แต่ไม่มีการเสวยเวทนาทางใจอีก แม้ใจจะมีความสุขมากเพียงใดใจก็ไม่ยึดถือในความสุขนั้นคงอยู่กับความสุขนั้นดังดอกบัวที่ไม่เปียกน้ำอย่างที่กล่าวมาแล้วถึงจุดนี้ความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชอบการมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าติดใจเพียงมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเหมือนคนที่ทางานรับจ้างเสร็จแล้วนั่งเล่นเลนรอรับกาจ้างอยู่ และค่าจ้างนั้นก็คืออนุปาที่เสสนิพานหรือความสิ้นขันอันเป็นกองทุกขนั่นเอง24ตุลาคมพุทธศักราช2549จบหนังสือวิมุตติมักโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมโช